Book 2 89 89ประโยคน์คำสั่งหนึ่ง imperative m คุณขี้เกียจเหลือเกินอย่าขี้เกียจนักเลย d u เ t า d e ด sammen คุณนอนนานเหลือเกินอย่านอนดึก Du sover f o r länge. Du m å lära d e g a t st stå upp på morgonen. คุณกลับมาบ้านดึกเหลือเกินอย่ากลับบ้านดึก Du kommer så sent. Du m å s l u t a och komma för sent. คุณหัวเราะดังเหลือเกินอย่าหัวเราะดังนักสิ «Du คุณพูดเสียงเบาเหลือเกินอย่าพูดเบาหนักสิคุณพูดเสียงเบาเหลือเกินอย่าพูดเบานักสิคุณดื่มมากเกินไปอย่าดื่มมากนักสิคุณดื่มมากเกินไปแล้ว อย่าสูบบุหรี่มากนักเลยดูร่วงเกินกว่าไม่ร่วงมากนักเลยคุณทำงานมากเกินไปอย่าทำงานมากเกินไปดูยุ่งเกินกว่าไม่ยุ่งมากนักเลยคุณขับเร็วเหลือเกินอย่าขับเร็วนักเลยดู Ikke k ี่เร็วสักหน่อยนะลุกขึ้นค่ะคุณมิลเลอร์ตัวอุปมิลเชิญนั่งค่ะคุณมิลเลอร์นั่งได้มิลเนั่งต่อค่ะคุณมิ l เลอร์อย่าต n ่นเต้นเใจเย็นๆนะคะ มีเวลาไม่ต้องรีบท๊า a ได้ทรอสักครู่นะคะวันต์ที่ระวังนะคะว่าระ i ังสิกรุณามาให้ตรงเวลานะคะว r punktlig. อย่าโง่อย่ควรทำตโง่